สวัสดีครับผมจะมาเล่าเรื่องแปลกๆที่ผมประสบพบเจอมาเมื่อเจปีที่แล้วโดยปกติผมจะวิ่งขึ้นทางเหนือสองครั้งต่อปีเนื่องจากญาติผู้ใหญ่ได้ย้ายไปตั้งลกรากปักฐานที่นั่นและครอบครัวของผมก็มีบ้านที่นั่นด้วยซื้อไว้เวลาขึ้นไปเที่ยวทีแรกก็กะจะซื้อให้พ่อไว้อยู่ช่วงอายุเยอะๆด้วยผมทางานประจาหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการเวลาขึ้นจะขึ้นไปช่วงวันหยุดยาวหรือไม่ก็ช่วงเทศกาลถ้าคนที่ขึ้นเหนือบ่อยๆน่าจะทราบดีว่าเส้นทางหลักที่จะขึ้นเป็นสายเอเชียอายุทยาอ่างทองสิงห์บุรีไปเรื่อยจนถึงนครสวรรค์ต่จะมีอีกสายหนึ่งที่ใช้สําหรับเลี่ยงช่วงเทศการลรถติดนั่นคือเส้นสุพรรณใช้นาดแล้วไปตัดสายเอเชียที่อเภอ ม, มโนรม พ่อผมเวลาจะขึ้นทางเหนือก็อสอนว่าให้ออกกลางคืนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนจะยังไม่มีกล้องจับความเร็วตำรวจทางหลวงจะใช้รถทางหลวงจอดแอ บ, บถ่ายรูปอีกเหตุผลหนึ่งคือทำเวลาได้เนื่องจากรถน้อยมากแทบไม่มีรถเลยเมื่อปี2553ช่วงปลายปลาย ป, ายปีผมมีโอกาสขึ้นมาที่ภาคเหนือ ปกติจะไปกัน4ถึงหคนพี่พี่น้องๆ้องจะไปด้วยกันคันเดียวกันรถพี่ชายจะเป็นรถครอบครัวแต่ครั้งนั้นเขาติดงานจึงต้องแยกกันเป็นสองคันโดยผมบอกว่าขอไปก่อนใจจริงๆจะไปเที่ยวแม่กำปองเลลางานก่อนวันหนึ่งไม่งั้นคนเที่ยวจะเยอะมากๆนัดน้องชายไปด้วยเนื่องจากปิดเทอมเลยชวนไปเที่ยวด้วยกันพอถึงวันนั้นก็จัดเตรียมกระเป๋า แล้วนอนเอาแรงตื่นมาตอนห้าทุ่มเปิดฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับการจราจรเห็นว่าเส้นสายเอเชียรถติดมากขนาดเป็นวันก่อนวันหยุดยาวหนึ่งวันก็ยังติดแต่เส้นสุพรรณโล่งเลยคิดว่าจะไปเส้นนี้ดีกว่าโล่งขับสบายๆถึงเชียงใหม่ลำปางคงุุงรา8โมงได้สบายๆนอนพักแป๊บนึงค่อยไปเที่ยวงานแม่กำปองต่อ ผมมากันสองคนแต่พอเข้าเส้นสุพรรณน้องชายผมหลับต้องบอกว่าน้องชายผมอายุสิปียังขับรถไม่แข็งไม่มีใบขับขี่รถเริ่มน้อยลงแบบว่าคันคันหนึง่งประมาณ2 3 0ถึงเมตรเลยแรกๆก็ไม่กลัวระแวงแต่พอเข้าจังหวัดชัยนาทสองข้างทางไปทุ่งนาไม่มีไฟทางเริ่มมีบรรยากาศความหลอนเข้ามาข้างหน้าจะเป็นไฟสีแดงๆลิบๆแบบไฟท้ายรถ10บล้อนานๆเราจะแซงคันนึง พอแสงแล้วถนนก็จะโล่งยาวๆพาหลอนมากผมปลุกน้องชายผมขึ้มานั่งเป็นเพื่อนเนื่องจากเปลี่ยวมากกลัวทั้งคนกลัวทั้งผีพอตื่นมาน้องถามว่าถึงไหนแล้วทำไมมืดจังผมบอกว่าจะถึงชายนาฏแล้วเขาตกใจแล้วบอกว่าทำไมไม่มีรถเลยพี่หลงหรือเปล่าผมบอกว่าผมมาถูกทางแล้ววิ่งมาตามป้าเรื่อยๆเนี่ยปกติเวลาช่วงเทศกาลจะมีป้ายแบบชั่วคราว ว่าเส้นทางขึ้นเหนือเส้นทางลัดทางเลี่ยงพื้นขาวๆตัวหนังสือแดงตลอดทางเพื่อให้ผู้ใช้ทางเลือกใช้ในกรณีรถติดช่วงที่กาลังเพ่งเส้นทางเพราะผมเปิดไฟสูงตลอดเนื่องจากมืดแล้วไม่มีรถสวนมาเลยนานๆจะมีคันนึงค่อยปลักไฟลงจังหวะนั้นผมเห็นถนนที่ผมจะวิ่งไปมีสีแดงทึ่บๆเหมือนคนทําสีหกหรือไม่ก็เลือดแบบแดงคล้ำๆกองใหญ่มากสาดอยู่เต็มท้องถนนทั้งสองเลนตกใจมากน้องผมก็เห็น หลังจากที่ผมสกิดให้ดูยาวประมาณ20เมตรเห็นจะได้ตอนนั้นกลัวรถไหลลื่นมากจมูกเริ่มดมกลิ่นเผื่อได้กลิ่นของเหลวสิ่งนี้เข้ามาในรถปรากฏว่ากลิ่นขาวๆแต่ไม่แรงมากเนื่องจากรถผมมีพวกที่ดับกลิ่นเยอะกะชะลอรถเข้าข้างทางเพื่อดูว่ามีอะไรติดมาหรือเปล่าแต่ถนนช่วงนั้นมืดมากเลยบอกกับน้องว่ารอใหถึงโซนที่สว่างๆางค่อยจอดดู พอขับมาประมาณ1กิโลก็จอดดู2ข้างทางไม่มีแม้แต่บ้านคนแต่เป็นสามแยกเล็กๆจึงพอมีไฟทางให้จอดดูไม่น่ากลัวมากตามปกติเวลาเราขับผ่านพวกของเหลวเช่นน้ำหรือยางมะตอยมันต้องมีดีดขึ้นรถมาติดบางโครนแต่นี้แปลกไม่มีรอยเลยมีแต่ฝุ่นติดแค่นั้นซึ่งผมไม่ได้ตาฝาดแน่ๆคิดในใจไม่ใช่แล้วโดนแน่ๆเลยกดโทรศัพท์กะโทรถามพี่ชายเรื่องเส้นทาง ตอนกดสัญญาณที่โทรศัพท์ 2-3 ขีดเห็นจะได้พอโทรออกกลับเงียบแบบทางเราไม่มีสัญญาณเลยตัดสินใจขับไปกันต่อแบบกลัวๆยิ่งวิ่งยิงเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆสองข้างทางเป็นทุ่งนาโลง่งมีต้นไม้สูงสลับบ้างยิ่งมีคุ้นเส้นทางป้ายทางเริ่มหายรถแทบไม่มีเลยมีแต่หลักกิโลเล็กๆ เขียนว่าใชานาอีกกี่กิโลแต่แปลกคือมีอำเภอหนึ่งอยู่ในหลักกิโลด้วยซึ่งปกติผมไม่เคยเข้ามาถนนสายนี้เลยขับมาประมาณกิโลหนึ่งไฟหน้ารถส่องไปโดนคนคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณ300เมตรดูจากระยะไกลน่าจะเป็นผู้ชายใส่ชุดแบบท่าทางทําถนนมีเสื้อสะท้อนแสงสีเขียวเส้นๆยืนนิ่งๆอยู่คนเดียวเอามือจับหัวคล้ายกับการประคองเวลานั้น ประมาณตีสามกว่ากว่ายืนแบบหันหน้าไปทางเดียวกับรถผมด้วยที่พ่อผมสอนมาตลอดว่าเวลาเห็นอะไรผิดปกติตอนกลางคืนอย่าทักอย่าตะโกนโวยวายให้ตั้งสติแล้วรีบออกจากที่ตรงนั้นบอกว่าถ้าโวยวายทักไปของจะเข้าตัวถ้าทำเฉยๆนิ่งๆไว้ก็จะไม่เป็นไรในใจคิดว่าเขาคมาซ่อมถนนตอนนี้เนื่องจากพรุ่งนี้จะมีรถใช้กันเยอะเพราะช่วงเทศกาลเจ้าหน้าที่คนนี้ ดูแลแถ่านี้ขับไปใกล้ๆเริ่มเห็นว่าเขาตัวเปียกไปด้วยเลือดแน่นอนด้านศีรษะเหมือนจะผิดรูปบูบี้และก็มีเลือดไหลลงมาตามตัวตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแน่ๆคิดอย่งเดียวเลยว่าโดนหลอกแน่นอนท่องนโมขับรถผ่านไปแบบเร็วๆถามน้องชายน้องชายก็บอกว่าเห็นเหมือนกันขับม้อีกะยะหนึ่งเกือบ2กิโลเห็นมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งริมถนน สภาพพังยับเยินเหมือนโดนลากไม่มีใครอยู่ใกล้เลยพะพ้นตรงนั้นได้ไฟทางเริ่มมีก็รเริ่มคุยกับน้องว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมยังไม่ต้องเล่าเดี๋ยวถึงปั๊มใหญ่ๆจอดพักตรงทางเข้านครสวรรค์ค่อยคุยกันขับมาอีกประมาณ2กิโลเห็นเหมือนคนคนเดิมยืนอยู่ฝั่งเดิมเพียงแต่รอบนี้เขาหันหน้าย้อนกลับมาทางรถผมรอบนี้คือมีการเคลื่อนไหวเดินกระเพกกระเพก แต่ที่ทําให้ผมสติเกือบหลุดคือเขาเดินเอียงซ้ายแล้วแผลเข้ามาในถนนคิดเลนมาเกือบครึ่งเลนในใจคิดว่าชนเลยไหมแต่ก็กลัวว่าชนแล้วเขาจะเข้ามาในรถก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะชะลอความเร็วแล้วแซงออกขวาไปพอเข้าไปใกล้ๆเขาก็หยุดกลางถนน ท, ทําท่าทําทางเหมือนโวกรถผมเบี่ยงขวาเขาค่อยๆก้าวเดินมาแบบที่จะปิดทางรถไม่ให้ไปน้องผมร้องเฮ้ยแบบตกใจผมพ้นตัวเขาไปได้ เร่งความเร็วสุดคนลุกทั้งตัวน้องผมต้องนโมดังมากตอนนั้นสติผมจะหลุดอยู่แล้วขับตรงอย่างเดียวไม่มองข้างทางและไม่มองกระจกมองหลังเลยขับเส้นนั้นมาได้เกือบๆสิบนาทีก็หลุดมาเส้นเรียบคลองรถเริ่มเยอะมากขึ้นขับออกมาถึงสิ้นสายเอเชียก็แวะเข้าปั๊มก่อนเข้านครสวรรค์ปั๊มนั้นขนาดใหญ่มีรถจอดพักมากมีมินิมาร์ตที่สาคัญมีพวกกู้ภัยจอดเพื่อสแตนบาย เข้าระงับเหตุอยู่กลุ่มหนึ่งผมกับรีบลงจากรถไปที่คนเยอะๆตอนนั้นเริ่มหายกลัวลงมาบ้างแล้วเพราะหลุดจากความคิดความกลัวตรงนั้นแล้วดื่มน้ำกาแฟาขนมกะพักรถพักคนสัก15นาทีหรือเดินไปใกล้ๆพวกกู้ภัยพอดีเสื้อด้านหลังบางคนเขียนว่าชัยนาทและเป็นรหัสผมเลยเดา ว, ว่าเขาคงเป็นหน่วยจากชัยนาทมาดูแลน่าจะทราบข้อมูลบ้าง เลยไปถามว่ามาจากไหนอะไรยังไงเรียบร้อยดีไหมครับเขาก็แบบตอบว่าโอเคเขาถามว่ามาจากไหนกรุงเทพหรือเปล่าแล้วปลายทางจะไปที่ไหนผมก็ตอบไปแบบที่นี้ผมเลยถามตรงๆว่าพี่ครับเสนเ้นอำเภอเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าทําไมไม่มีรถวิ่งเลยเขาตอบมาผมอึ้งเลยอ๋อเส้นนั้นรถพ่วงรถสิบล้อเอาไว้เลี่ยงทางช่างน้ําหนักแต่ทําไม่จําเป็นจริงเขาก็ไม่เข้าไปนะมันเปลี่ยว มืดน่ากลัวยิ่งรถบัสรถบ้านไม่มีใครเข้าไปหรอกครับเขาถามกลับมาว่าอย่าบอกนะมาเพิ่งออกมาแล้วเขาก็ยิ้มผมเลยบอกว่าใช่ครับเจอมาแล้วด้วยและผมก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดเขาเลยบอกว่าแบบนี้เจอกันบ่อยน่าจะเป็นพี่ดมแน่ๆและเขาก็เล่า ว, ว่าพี่ดมคือคนทาทาง พื้นเพเป็นคนคนครสวรรค์แต่ทางการเกณฑ์เจ้าหน้าที่ไปช่วยทำถนนเส้นนั้นมีวันหนึ่งห้าหโมงเย็นขับรถกำลังจะกลับบ้านรถพ่วงไม่เห็นพี่เขาเลยชนและลากยาวเสียชีวิตคาที่คามโมเตไซตของเขาเรื่องนี้ประมาณปีกว่ า, วาแล้วเขาเลยแนะนำว่าพรุ่งนี้เช้า7โมงกว่าถ้าสะดวกก็จอดใส่บาทใ้พี่เขาหน่อยละกันเหมือนพี่เขามาขอส่วนบุญผมเลยขอบคุณและเล่าให้น้องฟัง พอเจ็ดโมงกว่าๆผมถึงจังหวัดตากเลยแวะใส่บาททําบุญและอุทิศให้พี่เขาพอถึงบ้านที่เหนือก็นอนหลับกะว่าจะนอนสักสองชั่วโมงค่อยออกไปเที่ยวต่อช่วงที่หลับผมฝันเห็นผู้ชายใส่ชุดทําทางท่าทางกำำํายาผิวคล้ำตัวใหญ่แต่ดูใจดียิ้มให้และยกมือไหว้ขอบคุณผมในฝันเขาไม่ได้เละแล้วเขาก็หายไปผมตื่นเล่าให้น้องฟังและถามน้องว่าได้นอน ือฝันไหมน้องผมนอนแต่ไม่มีฝันเห็นครับเรื่องราวของผมก็จบลงเพียงเท่านี้